แต่ก่อนไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้มีเพราะนิยมทำกันขเขาช้าโลกนิยมทำบุญวันเกิดแต่ไม่มีในกรรมฐานแต่ว่าทุกวันนี้ทำามูอยูก่กันหมดทุกคนแล้วเช่นหลวงปู่มหาหลวงปู่เทศท่านก็ไม่ได้ตั้งวันไว้แต่เขารู้จักวันเกิดของท่านเขามาเองเ <laughs> พราะถึงวันแล้วเขามาเอง เราทำบุญแล้วจะใส่ชื่อรือนามว่าทำบุญอะไรก็ไม่เป็นปนัญหาหรอกเราชอบบุญอะไรก็ใส่ชื่อเอาเราทำบุญแล้วเช่นเขาไปทอดกะทิเขาไปทำบุญกับหลวงปู่ ม, มั่นเหมือนกันออกครรษาแล้วเข้าไปพอไปถึงเขาก็วางว่าหลวงปู่มั่นก็บางสกุล เ, เขาชอบกระถินที น, ทนี่เขาก็บอกว่านามาจากไหน แล้วดูออกพาทษานล้วถ้าไปท้าถิติองค์หลวงปู่มั่นไอ้ที่แท้เขาไปบางสกุลเขาชอบชื่อมันเขาก็เอาชื่อมันเกิดแล้วไหมครับข้องจะทําบุญอะไรก็ตามทําบุญอะไรก็ทําทบุญให้ใจนั่นเองจะใส่ชื่อหรือนามว่าบุญอะไรก็ตามก็ใจเป็นผู้เอาจะใส่ชื่อว่าบาปอะไรก็ตามใจเป็นเป็นผู้เอาเพราะสิ่งอื่นไม่มีใครมาแย่งบุญบาปกับใจเลยมีแต่ใจยังเป็นผู้ทําขึ้นใจก็ต้องเป็นผู้เอา ทำบุญก็คือเธทำบุญฉลองบุญทำบุญเพิ่มบุญทำบาปก็คือฉลองบาปอยู่ที่รวางกายบาปทำอยู่แต่พอก่อนชาติก่อนแล้วมาทำอีกมันก็ไปฉลองบาปบวกอยู่ที่ใจบุญก็เหมือนกันผมเข้าใจง่ายๆผมไม่ได้หนักใจจ่ใส่ชื่อือนามว่าบุญอะไรก็ตามเถิดทำบุญฉลองบ้านทำบุญบ้านบ้านก็ไม่เอาก็บ้านใจเป็นผู้เอาทำบาปใส่บ้านก็ไม่บ้านก็ไม่ได้เอาก็บ้านใจนั่นแะเอา สวัสดีสวัสดีปีใหม่แต่ว่าใกล้จะตายกว่าปีกลายใช่ไหม <c oughs> โอกัสเพราะว่าโยมตีมาจากพิศนุ ว่ามีกิติรอยากจะเป็นปัจจุบัจจัยนี่เป็นเพศจัดนะพร้มอมมอสอละลายเจ้านี่ตู้เซฟ <c oughs> ตู้เซฟตู้บริจาคเนี่ย น, นี่ของคณะที่มาจากการเมืองเจ้าค่ะคณะที่มาจากการเมืองเจ้าค่ะดอนเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวเ น, นี่ยเออเอาพมาหน่อยพาละพารับของมาถ้ า, า, ารับของมาเลยเอามาเลยถ้ารับของมาเพราะเหตุใดจริงว่าอันนี้รลกปู่มั่นไม่พาทำพูกตัววาเลชะโลกปูม่มหาวะวกาไม่พาทำ รบปูเทศทำตู้บริจาคเขาลักเอาไปสามครั้งทุกทิ้งเลยเดนี๋ยว้เอ้้ยเอาหน้ามาให้คุณชีบ้างเอ้ยเอาหน้ามาให้คุณชีบ้างคุณชีก็ไม่ปากเหมือนกันเอาปากมาด้วย คนอื่นหาจินเป็นะคุณชีหาจินไม่เป็นเนาะบ้านนอกขอคำมีอ๋อพระป่าพระเขาไม่ทันสมัยพระป่าพระเขาไม่ทันสมัยเดี๋ยวจะเอาใส่เชฟนะเจ้าคะ่ะปัจจัยของข้านาชกาเมืองจะยากโยมที่ฝากไอยแางนี้เจ้าค่ะก็จะสวานไปค่ะโดนานุนใส่เชฟเลยเจ้าคะ่ะ ทำบุญแล้วไปอยู่ที่ใจทำบาปแล้วไปอยู่ที่ใจไมไ่ต้องประคองอยากมันโคลแล้วกระเบือมันไปเองมันของไข่ของมันใครจะไปโบนาเชิญถ้าไม่มีทหารเราก็อยู่ไม่ได้นะอตายเขาก็ตายก่อนเราไนงะเอ๊ะเอ๊ะมาเขาก็ไปตายก่อนเราเนะี่ยอัตเวียนก่อนเรา ไอ้อมาถ้าไม่มีทหารเราก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวเขามาเย็ดอหมดรักเป็นพระอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีทหารคอมเอาไปกินวดคอมาไปกินว ด, ปนด <c oughs> เป็นโรคหลายชนิดหนึ่งโรคไตเลื่อนสองโรคสงน้ำดีเป็นนิว้วสาม โรคหัวใจสี่โรคลูกหมา hay, 4, โกโตห้าโรคท้องผู่หกโรคกระเพาะ 7. กตโรคชลาเป็นหัวจักขอให้ข้าวไปเจ้าขอไปด้วยเขาไหวอย่างนั้นเขากรเลยไปรับโรคชลาจะมาทางไม่ผ่าไม่ตัดในโรงพยาบาล สมาชิกไม่ไปนอนข้างเคีนในโรงพยาบาลเขาหลอกไปโรงพยาบาลซิมิเตเลสคราวหนึ่งแล้วเขาหลอกไปผ่าไปตัดเมื่อพอไปถึงแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ผ่าไม่ตัดเขาเลยเอาตามคำที่เขาลวงไปเราก็เหมือนอยู่คงเชพด้วยพระพุทธศาสนาไปมีแล้ว ชาวพุทธจะดูได้เรือเราก็เหมือนหมดหม่วยสุดขึ้นตระกูลพุทธใครรานใครรบเล่าแดนพุทธผู้นั้นจะไม่กอดีสุดไปจนถึงวันตายหรือพักนั้นก็ดีหรือชาวโลกก็ดีทําเป็นโล ก, กระบาลคุ้มครองโลกสองอยางความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าโลกไม่มียางอายต่อบาป ไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายหมูกคพรพั ก, กโคต่ผก็ตั้งมาอยู่อูขวางทำไม่นำคำานึงก็หมดที่เพิ่งปิงอิงอาศัยทำคนชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับเอา้าเพียงศีลห้าเท่านั้นถ้าชาวโลกมีบริบูรณ์แล้วทหารก็ไม่ต้องลำบากตำรวจก็ไม่ต้องลำบากกุญแจก็ไม่ต้องมีโทษปรนก็ไม่ต้องมี เรือนจําก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าโรคเอดก็ไม่มี <c oughs> เพราะเขาลอกชิ้นห่าที่โรคเอดเต็มอยู่ทุกวันนี่ก็เพราะปีนป่ายชิ้นห่าอะไรอะไรวุ่นวายในไตโรคธาตทุกวันนี่ก็เพราะไม่มียางอายต่อพระพุทธศาสนานั่นเองไม่มียางอายต่อตอนนั่นเองเหตุฉะนั้นการ เล่นพระพุทธศาสนาไม่ได้ถ้าเว่นอาบน้ําไม่ได้ก็เว่นพระพุทธศาสนาไม่ได้ทําไมจึงอาบน้ําก็เพราะว่าร่างกายสกปรกโสม ม, มพออยู่ในสังคมและส่วนตัวพอได้ประทังประทางไปจึะได้อาบน้าเพราะร่างกายสกปรกชั้นใดก็ดีทําไมาถึงมีการปฏิบัติสิ่ธรรมก็เพราะใจสกปรกถ้าไม่มีการประพฤติสิ่ธรรม ถ้าใจไม่มีกิเลสการปฏิบัติใจก็ต้องมีถ้าใจมีกิเลสอยู่การปฏิบัติใจก็ปฏิเสธไม่ได้การปฏิบัติเข้าใจสกปกโสมมุมนี่ข้อนี้สําคัญมากในหน้าที่ของชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้นนะธรรมะนี้เป็นธรรมลึกซึ่งไม่ใช่ธรรมของพลุชนคนหนาคําสอนใดในไตโรกธาตุเป็นเมืองขึ้นคําสอนของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัว เชมทิศจะมีกี่ร้านก็ชี้ไปนในทางที่เหนือไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใ ด, ดก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั่นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผูร้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้ธรรมั น, นี้เป็นของลึกซึ้งมากจริงอยู่อย่างนั้นไม่มตทางคืนกลางวันที่นี่เทียบในทางลึกซึ้งเพื่อให้คานึงไร้กา นามห้อยนองคลองเบึ้งบางต่างๆไร้ลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไร้ลงสู่คําสอนและพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวทั้ง น, นั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกนะไม่ขึ้นอยู่กับผู้ลู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รูกเหมือนกันเอา้าตอนไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีที่ห้ามว่าไม่ให้พระเป็นการบ้านการเมืองเป็นความเข้าใจผิดไปถ้าพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะให้ไปสอนผีตัวไหนนะ เอ่คนเรากอนพาไปมูพาพูดแล้วมันมองดูว่าพระพุทธศาสนาสอนหมดมนุษย์สมบัติก็สอนหมดแล้วเมื่อพระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติสอนหมดแล้วก็เป็นหน้าที่พระจะนําคําสอนเหล่านี้ไปสอนฆราวาสเหมือนกันมนุษย์สมบัติอรไหยามุขทุกประเภทเป็นมนุษย์เรวตร์เนอนั่นมนุษย์สมบัติก็คือตรงกันข้ามเว้นอรไหยามุขซะนั่นเป็นมนุษย์สมบัติจะมาให้พระไปสนอนยังไงทีนี้ อ่ทีนี้แม่ระวางฆราวากับปฏิบัติรพระพระบรมศาตราเราสอนไงแ้วหนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวาจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยด้วยเมตตาสามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่เป็นประตูคือห้ามไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อเมทสาท า, านนั้นพระบรมศาตราตั้งไว้สําหรับฆราวาสสำหรับพร ะ, พร ะ, พร ะ, พระทีนี้ หนึ่งให้ไม่กระทําความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ฟังสามอนุเคะหด้วยนั้นใจอัน ง, งามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทําสิ่งที่ฟังให้แล้วให้แก่หกบอกทางสวรรค์ให้คําสอนของพระพุทธศาสนาเลยนะสําหรับสอนพระเนนประพฤติกับญาติยาโยมญาติโยมประพฤติกับพระเนรก็บอกแล้วเมื่อกี้นะั่ง มีที่แฉ่งที่ไหนนันไม่มีที่แฉ่งในระหว่างผัวก็มีพระบระมาศาสตราอสอนหนึ่งด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสามด้วยมาประพฤติร่วงใจสี่ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัวนะั่พระบระมาศาสตราอสอนในระหว่างภรรยาจะประพฤติกับสามีหนึ่งจัดการงานดีสองสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดี สามไม่ประพฤติล่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้าข้อห้าขยันไม่เกียรจค่าในกิจการทาั้งปวงนั่งหวยกับว่าล่าผ้าขากับว่าเท่มันกับว่าเป็นเอาแล้วไ <c oughs> ม่รู้หรฟังออกมกามสัพพะชาภาษฐานะไม่ออกคนกรุงเทพเสียบๆคนภาคอีสานฟังไ่ออก <c oughs> เอาแม่ระหว่าง เบาํานายท่านกศนเขาบ ร, ระบบศาสตนะลุกขึ้นทําการงานก่อนนายเลิกการงานทีหลังนายซื้อเอาแต่ของสนายให้อย่าไปรักกอบรักเสียมไปเนื้อทําการงานให้ดีขึ้นอย่ามาง่ายนําคุณของนายไปใส่เสือในที่นั้นก็ห้าน่ะเขาบอกระาสตร์ศาสตรสอนสอนนายจ้างเท่นี่หนึ่งจัดการงานให้ทําตามสองควรแก่กําลัง สองด้วยให้อาหารและรางวันสามด้วยพยาบาลในเวลาเจ็บไข้สีด้วยแกกของมีรถแตกประหลาให้กินห้าด้วยปล่อยในสมัยวันทิศวันเสาร์วันศุกร์หรือพักเที่ยงนั่งมีที่แท่งไหมไม่ได้มีที่แท่งพระบรมศาสดาสอนมนุษย์สอนโลกอนี่ไม่ได้เลือกสอนแต่พระพุทธสามนเนานั่นวิชาคกมิตรพระบรมาสารีราสดาก็สอน มิจฉาคบมิตรแท้สี่จำพวกมิตรจมีอุปการะมิตรรวมสุขร่วมทุกมิตรแนนประโยชน์มิตรมีความรักใคร่มิจสี่จำพวกนี้เป็นมิรแท้ควรคบมิรแท้สี่จำพวกหึ่งมิตรมีอุปการะในลักษณะพยสี่หนึ่งป้องกันเพื่อนผู้ประมาณแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาณแล้วเมื่อมีใครเอาไปซื้ซึ่งคำนักได้พอสามสี่เมื่อมีธุระช่วยออกซาให้เกินกว่าที่ออกปากเราจะช่วยเพื่อนห้า ห้าร้อยเนอที่ไปช่วยซักพันหนึ่งนะเดี๋ยวเรามากกว่าที่ออกปากสองมิตรร่วมสุขร่วมทุบมีลักษณะสีขยายความรับของตนแก่เพื่อนปิดความรับของเพื่อนไม่แฝงพายไม่ละทิ้งในยามมีบัตดแม่ชีวิตก็อัศรแทนได้สอง ม, มิตรได้ประโยชน์มีลักษณะสี่้าเมกระทําคงชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยนามใจอันงามสี่บอกทางสวรรค์ให้ สมิตรมีความรักใคร่มีลักษณะตสี่หนึ่งเมื่อทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเมือ่อสุขก็สุขด้วยโต้เถียงคนที่พูดตีเตือนเพื่อนรับรองคนพูดสนรเสริญเพื่อนมิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรครบเนอะเขบเรามาสัจจะได้นะทีนี้มิตรปัจจัยลูปคือมิตรคนเทียมมิตรควรครบหนึ่งคนปอกรอกสอคนดีแต่พูดสามคนห่อประจบสคนชักชวนในทางเสียหายคนสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตร่ควรครบ คนปอกลอกมีลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้น่อยคิดเอาให้ได้มากสามเมื่อไม่แพ้แก่ตัวจึงนับคำสิทธของเพื่อนเพราะอยากขอตังค์สี่เขเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวคนหัวกระจกมีลักษณะสี่จะทําชั่วมันก็ค่อยตามจะทําดีก็ค่อยตามต่อหน้าว่าสารเสื่อรับหลังต่างนิราคนชักเขินในทางชิ้หมายมีลักษณะสี่ชักเขินดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนแห่งโมเมาในการเล่นชักชวนเล่นการพนัน มิตรสีจําพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนจมิตรเป็นคนครอบเด้อนั่นนะพวกเราเอาเล่ามากินคบกันผีบ้าคอบกันนะพระพุทธศาสนาสอนไวนะ้ที่นี่การคองทีบทางคารวาสก็สอนเรียกเลยอบายามุปทุกประเภทอยาไปทำเน้อพระรมสาการค้าขายก็บอกแล้วค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ ค่าขายสัตว์เป็นไรเงื่อนสัตว์ที่ตัวข่าวเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้าเมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้ายอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกไม่ประกอบเน้อสมบัติของชาวโลกห้าประการประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในภาภาพระพุทธธรรมรสงค์มีศีลบริที่สุดคือศีลห้าไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกำเนิดเชื่ อ, อมงคลไม่ถือสวยงหาเศษบุญนอกพระพุทธศาสนาะบำเพ็ญบุญแต่ในพะพุทธศาสนาะ ชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติท่าประการและเว้นจากวิบัติท่าประการซึ่งตรงกันข้ามนะสอนโลกเลยละ่ะพุทธิสารธรรมสา ร, ถถส ร, าาสรานัตถสัพสาเทวนัตสานังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายนั่นะ ไ, ม ไ, ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกมาจะสอนแต่ประเทศไทยสอนทั่วโลกเลยนั่นะจึงเป็นที่พึ่งของโลกได้มหากรรณิโกราโถอขาพระเจ้าองค์ไหนจะมาล่านานปีจริงจะมาครั้งหนึ่งก็มาสอนอันเดียวกัน เป็นวิชาอันเดียวกันไม่ได้ลบเล่าพรบกันเพราะมันตั้งพอดีพอแล้วนั่นและก็ไม่ได้ตั้งมาเป็นฝ่ายค้าศและก็ไม่ได้ตั้งมาเป็นฝ่ายอนุโมทนาถ้าทําให้ถูกใครมีสิทธิ์จะคัดค้านทั้งนั้นถ้าตั้งถูกก็มีสิทธิ์ที่จะอนุโมทนาทั้งนั้นพระพุทธศาสนาะ่พวกเรามันยุ่งเหยิงกันเต็มทีทุกวันได้ยินแต่เขาเราว่า ยุ่งเหยิงกันเต็มทีไอเดียเขมีทุกวันนี้พวกเราไยุ่งเหยิงกันเต็มทีแล้วไอเดียวเมีถูกไหมอ้าวอ้าวอาวพวกที่ถือว่าไม่มีบาปมบุญเข้าไปได้ไหมนน <c oughs> ใครมาาแเราก็มองเห็นอยู่แล้วจำพวกชาวโลกประเทศที่ถือว่าว่ามมนมีบาปมีบุญเข้าไปได้ไหม ก็แตกกระจงแล้วใช่ไหมแตกกระจงแล้วปั้นกันไม่ติดเหมือนข้าวถูกน้าเลยนนมีความหวังมาจะบานหน้าก็บานหน้าจริงแต่บานหน้าไปทางเสื่อมใช่ไหมนัน่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะรู้ทั้งนั้นทรัพในแต่ละท่าเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวเนอะรักที่ใดใควาอสสอนใดใครความหมือกัน เป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาทั้งหมดเอา้านั่นมันขึ้นอยู่ในตัวมันผู้ใดเบียดเบียนพระพุทธศาสนาโดยทางตรงและทางอ้อมทางใกล้และทางไกลหรือเตือนก็ตามนั่นนั่นนั่นนี่นีน่นนนนนคืออะไร ก็คือกองทัพน้ําลายบ้วนขึ้นฟ้ามดไตโรคธาตุเนี่ยบ้วนขึ้นฟ้ามันก็ไม่ถึงหน้าของใครของมันมันตกใส่เองมันนั่นและอีกอย่างหนึ่งเรียนวิชาคว้างฟาคว่ำไถ่ต้นเสาเรียนท่าคว้างไกลมันไม่ถึงใช่ไหมต้องคว่างไใกล้ถ้าคว่างไกลใกล้นักมวยเอกก็รบไม่ทันใช่ไหมนั่น <ST AN> นวิชากรรมผลโต้ลมก็สู้ลมไม่ไหวถ้าลมไม่รับไหวเข้าตาไม่เข้าตาก็ต้องเข้าปากพระพุทธศาสานาะเป็นแกนของโลกเป็นดิ่งของโลกพระพุทธศาสานาะพระพุทธศาสานาะเป็นธรรมมาทีปไ ต, ย, ต, ย, ตยเน้อเป็นหน้าที่ของข่าวพุทธจะรู้จักเน้อเป็นธรรมมาธี่ปตยพระพุทธศาสนาเนีนักวัด หมายโคหมู่กคทักกรคโพวกกคตามกคของชาวโลกก็ตามถ้าตั้งขึ้นไม่มองดูพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเน้อพี่นอกชาวพูธทั้งหลายเอยเราปกครองบ้านเมืองของเราก็มันกันในระหว่างครอบครัวมันกันถ้าไม่มมองดูพระพุทธศาสนามันก็ปกครองครอบครัวเราไปไม่รอดเน้อผัวเหรียนเบี้ยเมียกระต้มไกลขายมันก็ไปไม่รอดเน้อกัวคนฟินเก็บกินก็กะยา เอาหัวกันซาเมียนขีเทาเอาหัวนำเราเมื่อก็หัวกินเราเมื่อก็เคล็ดนำไล่เมื่อกับไปบบมลม่มเน้อว่าเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาไม่เอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นดิง่งก็ไปไม่รอดเน้อนั่นช่างไม่จะเรียนมาจากประเทศนอกสักเพียงไหนก็ตามช่างคว้าช่างจับทิ้งอาจารย์ดิ่งไม่ได้นั่งและดับน้ำก็ทิ้งไม่ได้เครื่องวัดเครื่องตวงก็ทิ้งไม่ได้ตวงหินตวงทรายนั่นแหะคือสารอายการคือสารยุติธรรม ช่างพระสัมมาทัตพุทธเจ้าของเราเอาคนมากเป็นประมาณบางอย่างคนมากนั้นจะเรียนจบพระไตรปดฎกตะเพียงใดก็ตามความประพฤติของเธอไม่ดีไม่ไม่ให้มาออกเสียงไม่ให้มาให้ข้อแนนใดๆทั้งปวงเลยก็พฤติของเธอดีจังห้มาแต่พวกเรามึงไม่เอากูฮูโก็จ้างมึงก็ใครกันริบดีริบดีริบดี ไม่ควรดูหมิ่นพระพุทธศาสนาะพระพุทธศาสนาเป็นแก่นของชาตโลกไม่ลำเอียงเขากับใครเป็นธรรมาธิปไตยอัตตาทิปไตเป็นเมืองขึ้นของธรรมาธิปไตยพระชาทิปไตยก็เป็นเมืองขึ้นของธรรมาริปไตยธรรมาธิปไตยเป็นดิ่งนะใครจะตัดสินถูกหรือไม่ถูกก็ตามไม่เป็นปัญหาโย์ก็ ด, กดีจำเลยก็ดีพยานก็ดผีผู้ว่าก็ดี หรืออาการก็ดีหรือนักกฎหมายกดหมูกดพักกดทั่วก็ดีเธอจะตัดสินถูกหรือไม่ถูกไม่เป็นปัญหาดอกผลของกรรมตามทั้งจำลุตามทันทั้งจำเลยและโจดและพยานและผู้ตัดสินด้วยยังมีกองปราบอยู่ข้างหลังอีกถ้าผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่ถือพระพุทธศาสนาเราก็ไม่เคารพผลของกรรมมีอยู่ กรรมวนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมผลของกรรมมันมีอยู่พระพุทธศาสนาดึงมากินแล้วศาสนาและที่อื่นๆ่บัญญัติบาปบุญคุโทษไม่ถูกเหมือนกับพระพุทธศาสนาเน้อพระพุทธศาสนาท่านไม่มีกิเลสท่านบัญญัติบาปอันไหนมันก็ต้องบาปจริงบุญอันไหนก็ต้องเป็นบุญจริงบุญใจบาปใจท่านโยนลงมาที่นั้นแปดหมื่นทีเพระาะทำมันขันย่นลงมาที่บาปบุญบาปใจเพราะใจเป็นผู้สร้างขึ้น กจะปฏิเสธให้ตาหูจมูกเรื่มกายมันก็ไม่รับบุตรทางดีก็เหมือนกันทางชั่วก็เมันกันใจเป็นผู้ได้รับเองนั่นพระพุทธศาสนาสอนมีหลักอย่างนั้นจะฆ่าเขาก็จงมองดูชีวิตของตนสิพระบรมศาสลาตอนเป็นพยามตนชอบไหมถ้าตนตนไม่ชอบคนอื่นเขาจะชอบไหมนั่นพระบรมาศาลาไปวิ็นบากไปเห็นเด็กตีงูเด็กเอ๋ย เธอจะตีงูมันทำไมเกรงมันกัดพระเจ้าข่าเออคนเรารักชีวิตของตนแต่ไปบิดเวียนชีวิตของท่านผู้อื่นความสุขจะมีจะอากประตูไหนลูกห ล, ก ล, า, น ล, า, นลานเอย๋ยหลวงตาเนี่พูดจริงทิ้งข้อเลยพระบรมศาตราก็เยไประเทศเอาสำเร็จพระสวราดวันนะทีนี้ใครอยากได้พระสวราวันก็เอาซะวันนี้หรือได้แล้วก็ยิ่งมีอันโง น, นา หนึ่งพระสสดาบันไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดสิ้นห้าไม่เสียดายอยากเป็นอบายามุกไม่เสียดายอยากจะขอดเวรท่านผู้ใดโปรดอยู่แต่ไม่ขอดเวรอาคาด จ, จองเวรผูกไก่เก็บไม่มีในพระโสดาบันถ้าเขามาทำผิดไม่มีที่แก้ก็นึกว่าเออแต่ชาติก่อนเราคงทำขงเขาแบบนั้น ถ้าว่าเขามาก่อใหม่ก็ให้เรากันไปแทะแต่เราโกรธอยู่แต่แม่สาบแช่งให้มังคลิปหายตายคว่มอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีกูเอามือเหลี่ยมนี่ไม่ได้กูก็จะเอามือเหลี่ยมนั่นเหลี่ยมนี้ไม่มีในใจพระโสดาบันจะโกรธอยู่โกรธของพระโสดาบันปิดอาวายัยภูมิแล้วไม่สามารถจะไปตกนรกไม่สามารถจะไปเป็นสัตติรชานเพราะได้วิชามนุษย์สมบัตเิเต็มภูมิแล้วสวรรคสมบัตเิเต็มภูมิแล้วได้วิชานิพพานสมบัติเต็มภูมิเองด้วย ชีลังโลเกอนุตตโรศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลพระส ว, วัสดิ a w a เป็นศีลห้ามันเป็นศีลของพระส ว, วัสดิ awan ถ้าไม่ดาวไม่พ่อยไม่เสียดายอยากค้าขายเครื่องปะหารค้าขายมนุษย์ค่าขายแต่เป็นเนื้อสัตว์แค่ตัวค้าเพื่อเป็นอาหารค้าขาน้ำมันํามานค้าขายาาขาขา ย, ยาพิษการค้าขายให้อ่างนี้พระส ว, วัสดิ a w a ไม่เสียดายอยากล่องระเบิดเมือ่อไม่เสียดายอยาก ล, งลง่องระเบิดมันก็ไม่หรักใจนั่นสิ่งไหนที่เราเสียดายอยากล่องระเบิดมันก็หนักใจสิอะ น้ำลายเรวนทิ้งแล้วเราไม่เห็นหนักไกเพราะไม่เชื่อใจจะเอาคืนมาใส่ปากอีกนั่นเพราะเห็นว่ามันมีไม่มีประโยชน์นั่นคนดีคนดีทํำในง่ายความชั่วคนดีทําในยากความชั่วคนชั่วทํำในยากความชั่วคนชั่วทํำในง่ายความชั่วคนดีทํำในยากมูดควดแมลงมันกินในง่ายแต่แมลงพึ่งกินแมลงพึ่งกินในยากเคสอนดอกไม้แมลงมันกินได้ง่ายแต่แมลงพึ่งกินในง่ายอันเดียวกัน ไม่แรงว่ามันก็บอกว่าประชาธิทปฏตยของมันถูกไหมมันก็บอกว่าสังคมนิยมเข้ามันใช่ไหมเมื่อแรงพึ่งมันก็บอกว่าสังคมนิยมเข้ามันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยเข้ามันมันก็บอกว่าชาวโลกเขานิยมกันนั่นนั่นนั่นสิ่งเหลานี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะควนพิจารณาทั้งนั้นเออผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาทีนี้ภูมิของพระโสดาวันยังในเอก ไม่ถือเลิกดียามดีทำดีในเวลาไหนไม่ถือวันอุกกาบาตและโลกาเวนาถาถ้าหากว่ามีวันอุกกาบาตและโลกาเวนาาอย่างนี้จะไปกล่าวตูเลิกยามมันไม่ถูกมันมีแต่มือกับสว่างเท่านั้นข้าพเจ้าเป็นวันเทิจข้าพเจ้าเป็นวันจันทร์อังคารพุธพุทธศักราชชุกศอข้าพเจ้าเป็นวันอุกกาบาตโลกาเวนาาวันทั้งหลายมาได้ว่าเราไปกล่าวตูมัน เราทําดีได้ประกาศตัววันเราทําชั่วแล้วประกาศตัววันไอ้ที่แครมประกาวตวาู ว, ว, ต ว, ipping, วใจตนนั่นให้คะแนนก็ต้องให้คะแนนใจตนตอนไหนที่ตนทําดี ก, ก็ต้องให้คะแนนใจตนตอนไหนที่ทําตนทําถูกก็ไม่ให้คะแนนใจตนอัตหิอั ต, ตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจก็คือทําทเป็นที่พึ่งของทำนอกจากใจไม่มีอะไรจะเบียดเบียนใจนอกจากใจก็ไม่มีอัะไรจะทําประโยชน์ให้ใจใจเป็นผู้ทำเท่านั้นไม่มีใครมาแย่งทำตาหูจะบูกเลื่นกายไม่แย่งทำ ข้อใจเป็นนายหน้าเป็นนายกแล้วเป็นผู้วางแผนแล้วเขาพุทธศาสนาย่นถึงใจใจเทพสี่ถึงห้าพันสาประยนต์ลงถึงใจถ้าจะว่าเป็นสองก็กายตับใจถ้าจะว่าเป็นสามก็กายวายใจใจถ้าจะว่าเป็นสี่ก็ธาตุสี่หรืออริยสัตว์สี่ถ้าจะว่าเป็นห้าก็ขันห้าลูปเวทนาสัญญาทังการเวียญาณถ้าจะว่าเป็นหกก็ตาหงษ์จงเรื่องกายใจถ้าจะว่าเป็นเจ็ดก็เอาปัญหายธรรมเจ็ดอย่างถ้าจะว่าเป็นแปดก็อัตถกาหมดไปแล้ว หืออัธงคี่สามว่้าแปดข้าเจ้าเป็นเก้ากับมัคสีพ้นสี่นิพานหนึ่งข้าเจ้าเป็นสิบก็ขปสนกรรมวัดสิบและอัุศนกรรมวัดสิบถ้าจะย่นลงมาเป็นหนึ่งก็มโนาพระางค์ขมาธรรมามโนเสถ่ามโนเยญธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เนื้อคำสอนที่ย่อของพระพุทธศาสนาก็ย่อลงมาว่าจงทําจิตให้บันเทิงในการละชั่วทําดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ า, าทั้งหลายนั่นย่นลงมาแลระยะนี้ ว่าเรานับมากถึงล้านเราจะถึงล้านล้านเราจะนับออกจากไหนก็นับออกจากรักหน่วยเหมือนกันมากก็มาอกออกจากไก่น้อยก็น้อยออกมาหาไก่หานลงมาหาไก่นับถึงล้านก็นับออกไปจากรักหน่วยใช่ไหมยน่นลงมาก็มาหารักหน่วยนั่นเองสัมเดีก็ดีเราจะทําดีมากก็มากออกไปจากไกลเราจะทําชั่วมากก็มากออกไปจากไก่ถ้าย่นก็ย่นลงถึงใจ น, นั่นใดๆทำชั้นสูงยังไม่อีท นี่ทำทำต้ น, นทำชั้นสูงยังมีไปกว่านี้อีกอักโเนี่ยขออัทขังทพให้ยันฉงเจริญารีคุณนางปฏิสุทธทิาา์ทางพมัชัยยังประกาศเสสิบรรบูทั้งเบื้องต้นท่ากลางที่สุดพระพุทธศาสนาตามหมามกรัังปุิยาม่ตามหมามกรัมมตังศรสารธมวเห็นฉันจึงยอมกราบยอมไหวไม่ได้กราบไหวแบบโง่โงแบบป้าๆ้าปบอะนะไม่ได้บวชแบบ ป, าบปาบ้าป้าอบเห็นคุณสมบัติในพระพุทธศาสนาจึงบวช เอ้าพระพุษาษาทธศาสนาธรรมันแล้วใช่ไหมเอ้าพูดเรื่องโลกแคก่อนจะพูดทางพระธรรมะชั้นสูงพระพุษาษาทธศาสนาธรามันแล้วพวกที่มาบวชเร้พุทธศาสน า, านี่นะประมาณมากกว่าสี่แสนพระองค์ตลอดที่สุสัมณเรีหรือมากกว่านั้นไม่ทราบไอคนจำนวนสี่แสนห้าแสนเนี่ย ให้มันไปเอาลูกเอาเมียดูสิให้มันไปเอาผัวดูสิก็แ้่ขาวแม่ชีลูกของมันแตกออกไปตามกว่าสามคนนี่เรานี่ยเรานี่ยเราเนี้ตอนนี่ยเรานี่ยเราเนี่ยนี่จะได้ที่ดินที่ไหนมาให้มันจะได้รถได้เรือที่ไหนมาให้มันที่ปลูบ้านที่ไหนที่นาที่ไร่ที่สวนมาให้มันมันไม่พอเชียร์เล้วนั่นมันเป็นการประหยัดอยู่ในตัวแล้วทํามันอยู่ในตัวแล้วนั่นพวกที่เขาชี้ห้าชี้แปดทีนี่ พวกที่เขาถือสินห้าสินแปดเขาก็ไม่สุงมเสียงกันใช่ไหมวันนั้น่ะไอ้พวกมาถือสินเสอทํระมาสนุกกันเหมือนหมาเลียงเก้าใช่ไหม พ, พูดแบบลูกๆหลานเนื้อมไม่ได้พูดแบบเจ็บมันยาาพูดแบบเปิดเปิงเลยแบบลูกๆหลานเน่ะแบบคนกันเองพูดเนี่ยไม่ได้เจ็บมันยน่ะ วันจึงเข้ากันง่ายนั่นจะเห็นคุณค่าพระพุทธศาสนาเนอเอา้าวัดเพียงท่านี้ละดูได้หลายจังหวัดเนี่ยชาวบ้านรูหรวยเนี่ยเขามาตั้งเมื่อเขาหนีเขาก็ขายที่ดินที่ดินของวัดนี้แล้วขายไม่ได้ไม่เป็นพองปลุกคนบ้านของเขาเข า, เขาไปไหนเขาขายเลยมีปัญหาสอดเข้ามาว่าทาไมจึงมีวัดมากแค่ ก็ประเทศไทยถือศาสนาพุทธเมื่อให้ประเทศไทยมีวัดมากจะให้ประเทศผีตัวไหนมีวัดมากนั่นถูกไหมนั่นไปพิจารณาบ้างอันนี้ทีนี่แผ่นดินก็นักวันแคบขึ้นพลเมืองก็มากขึ้นในสมัยหลวงปู่เป็นนักเรียนรัช ก, กาลที่หกแต่เกิดในรัช ก, กาลที่ห้าแต่เข้าโรงเรียนในรัช ก, กาลที่หก มีลเมือง14ล้านเศษนา็กพลเมืองประเทศไทยมีกี่ล้านรู้ขึ้นตอบสินายขอลุกขึ้นตอบ14ล้านเศษครับถูกละไม่รู้ว่าเศษเท่าไรเ ด, เดี๋ยวนี้กี่ล้า น, น้ 2,465 14ล้านเศษเดี๋ยวนี้จากนั่นมาเป็น 2,500 สามจุด้าเนี่พลเมืองมีเกือบหกสิบล้านใช่ไหมเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อ, เ อ, อต่อไปนี่พวกเราจะไม่มีที่อยู่เนอะเพราะแผ่นดินเท่าเก่าอยู่พลเมืองมากขึ้นออถึงตายเป็นก็ตามเกิดเท่าใดตายเท่านั้นก็ตามแต่มันตายไม่ทันถึงแม้มีสงครามมากประเทศจีน อ, อในสมัยอยู่กับร้องู่มัน่นประเทศจีนมีพลเมือง เ็ดรอยเจ็ดร้อยลาดด้าแต่เดียวนี่ถึงพันล้านแล้วนั่นแผ่นดินเท่าเก่าจะไปอยู่ไหนทีนี้มันใครต้องจําเป็นก็เปลีป่ยนแปลงยากได้เหมือนกันกฎหมายตั้งอยู่ไม่ไม่ได้หรอกกฎหมายทีนี้ประชาชนก็เป็นลูกรัฐ บ, บาลรัฐ บ, บาลก็เป็นพ่อเป็นแม่ก็ลูกของรัฐ บ, บาล น, นั่นเองมาให้มันอยู่ในประเทศจะไล่ข้ามันไปอยู่ที่ไหนนั่นถูกไหย เนื่องที่นี่ทําชั้นสูงคํา พ, พุทธศาสนาวางพระพุทธศาสนาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้สัตว์ทั้งร้ายเบื่อหน่ายคลายวัฏจัสรสงสารคําชั้นสูงไม่หวังว่าจะให้เป็นเปรตมาเฝ้าอยู่ที่นี่ให้เคล็ดแคลาบในวัฏจักสงสารมายัางวิชาเคล็ดหลับในวัฏจักรสงสารเน้อเนี่ยเออเห็นทุกตะไร้เกิดหนึ่งเห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกทำให้เรากองทุก สองระลุภูเขาเลยเห็นอนิจจังคณะเจ็ดหนึ่งเขเห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทว่าโลกได้แก่สกามาพัชราหกชั้นพรหมโลกได้ก่รูปปรภมเจ็ดหกชั้นและรูปปรภมสี่ชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขารโลกแบ่งออกเป็นสอง อุปาเทนกะสังขารสังขารที่มีใจครองอนุปาเทนกะสังขารสังขารที่ไม่ไมีใจครองสังขารทั้งสองอย่างนี้ทั้งมีใจครองแล้วไม่ใจครองก็ดีก็อยู่ใต้อำนาจอันตรังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและดับไปหาระหว่างไม่ได้นั่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้แปรปรวนหาระหว่างไม่ได้ดับหาระหว่างไม่ได้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับ เธอทั้งหลายจงรู้ตามจริงปฏิบัติตามนจริงหลุดพ้นจากความหลงของเจ้าตัวตามนจริงเถิดคําชั้นสูงพระบรมศ า, าลาในโลกนี่ไม่ใช่ของง่ายเนอ ล, ลูกลูกหลานเอ๋ยพวกท่านทั้งหลามาทั้งเที่ยวในวัดตาสองสารนี่นานแล้วหน้าตาของพวกลูกลูกห ล, ลานหรือตถาคตก็ดีเก็บไว้ชาติระ ย, ยดชัว่วคราบหนึ่งก็มากกว่าสี่มหาสมุทรมาให้อันตราฐานไป ท่าพูดหลังนะกระดูกของพวกลกูกโลกล้านหลานและกระดูกของพระตถาคต ท, ที่ท่องเที่ยวมาในวัดตาสองสาร น, นี่ แ, แต่และคนละคนเก็บไหวชาติและเท่าของแม่มือนี่แหละไม่ให้อันตรธ า, านไปช่วงทัดหนึ่งก็ใหญ่กว่าภูเขามาอะไรเสียแล้วเมื่อเป็นดังนั้นพวกชาวพุทธพวกลกูกโลกล้านหลานทั้งหลายจงเบือ่อจงนายความหลงของตนที่เคยลงมาในวัดตะสองสาร น, นี่ซะนั่น ทมชั้นสูงเนอะนสรระโลกทั้งปวงย่นลงมาในสังขารโลกสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอันนี้จังเป็นทุกอย่างยิ่งเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันนัดนี่ทำชั้นสูงวันคืนล่วงไปไวแค่นาแลดูนาอานะกาเลี้ย บ, บ่อย จะมง้นะคะลงีกชั่วโมงนะกับชั่วโมงกว่านะอ่าต่อไปเนี่ยให้พรเนาะอายะทาวานิวาฮาบุราปะเนปุเรนติสาคะลังเอวามีเอวาตทินังเปตานังบกปฏิวิชิตังปุจิตังตูมังเฮปเมวัสะเมตสตูสะเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนระโสยะทามณีโสธีรโสยะทา ท้าวพิทยาวัดชันุลาสัพพะทุขขโคสะพพโยสะโคเวีนัปสัตตมาเตผวัสตส่วนตรายูสุขีที่อคาอายุโภทวะอภิวาสนาสีนิจันิจั ง, จงมุชาปจายโ น, ยนโจกโักการุธรมาวัดทันติอายุวนโนสุขังสัตังสะพพุทานุภาเวีนะ สัพพะธมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะกุทธรัตนังธรรมรัตนังสร้างกรัตนังติณังรัตานะังานุภาเวนะยังตูณสีติสาสะธรรมะันธานุภาเวนะวิตกัตตยานุภาเวนะเชียนสาวกานุภาเวนะสเปเตโรคาสเปเตพยาสเปเตอันตรายาสเปเตอปตวะสเปเตทุนเนมิตาสเปเตอวังครามีนะสันตุอายุวัตโธตกาวัรรมตัพอตการชีวิตตัพอตการยาสาวตัพอตการปราวตัพอตกา วันวตโกตตาตุาวตโกตตงตุาตโรขปยาเวาโสกาสตจุปันวานกาอันตรายาปีเวนัสสัจุเชัสา เจษฎฐิทิตนังราภังโสธีภาคยังสุังพลังสุบิอายุจวันโนจะโพคังวุฒีเจยะสวัสดิ์สัมปัจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตเพราะว่าตัสัพพมังคารรัันตุสัพเทวตาชาพุตานุภาเวนัสชาสตธีพวันตุเตพราะจ่าสัพพมังคารักันตุสัพเทวตาชาตมานุภาเวนัสชาสุธีพวันตุเตพราะว่าัสัพพมังคารักขันตุสัพเทวตาชาตังคานุภาเวนัสชาสุธีพวันตุเตอยู่ทุกวันไม่มีประมาณจากเข้าเข้าสู่เเนปานอยู่ทุกหน้านะทุกต้นหน้านะ เธออ้าผู้เกิดมาแล้วอายุยืนอยู่แต่ว่าหางไม่โรกลายนะเท่าเนี่ยเคยได้เขียนได้ตีนั่งควายไม่ถึงกับตายแล้วให้เขาเก็บเขาปวดงอนเกิดมาแล้วไม่โรกลายแต่อายุยืนอยู่อันพวกคาร์ตายง่ายตายโห ง, วงพวกคาร์ พวกข่าวตัดบ่อยๆบิดข้อไกลเสืดอข้อไกลนับแต่อั น, นไหนเกินบ่อแล้วเน่ยเกิดมากพบได้สาบได้อายุสั่นตอ ต, อตายโหงเล่นตายง่าย ah. พวกเสียงหาท่านหลายเกิดมากทาบรุ่นเรามีทาบนี้พบอยู่นะเฮ็ดปรสมค์เาะใดก็ได้เฮ็ดประสมค์เพรีก็มีท่านเพิ่งมาแข่งเหืองมาแข่งแ่ง แ, ขงแข่งได้ท่านแข่งบุญวัดสนามนี่แข่งก็ได้ท่า น, นนี่ มีพระองค์หนึ่นงนิ้วนำ้ำหลวงพ่มหาเถรหลวงพ่มหาเเียฟังพระองค์นึงเป็นพาาระหันมาสันไปบินธบทัท อ, ออกกอมูเขาขับวัส่ยหาเขามาใส่ผู้ที่สองพี่เป็นพาาระหันอะไรเนี่ยคับว่าใครไม่พูดวั ช, ช, ช, ชาหายมาสันชิมากินแต่ละมือกทั้งททั้งหยาบมาันมู้ต้องวสชหายมาสันขันหามายกกลางมาสันยกกลางมูาสัน เ ข, ไไเขาไปใส่ทั้งหางเขาใส่หัวใส่เขาใส่อะไรอย่างนี้วขาันน่น้อยโดยเพาะิมสั่มเขาสั่ตจ่องมู่องอไรเอาหายจ่องมู่ต้อ ง, รองไรเอาเขายันเนบาดหายไว้สั่เป็นพรนะอาหันแล้วไอ้สั่งหลวปู่มหาหลอกไปบ้างภาษาลิบุได้ไปจับคอบปากบาดไอาสั่งพอเขามาใส่หรือภาษาลิาบุได้ไปจับคอบปากบาดเลเขาเลยใส่ร้ า, ไไายไว้สั่งตัใ ห, หอ้ปหาบายหลอกเราหลวงปู่มหาหปู่มหาให้ใหตัวเขาอี่ หาเก็บอมว่าใหทิ้มดหอกให้เอาเว้ยพี่สันเขาน่อยเพเสื้อได้พ่อเมยียนพูดจานวะค้นเป็นพระละหันแล้วหาสิเว้ยเพือ่อไซบาทให้กินมันกับพ่เมีนเนยนนด้เขาน่อยพันเขาน่อยต่เขาใจส่มันสิพิดบ่าคนบุนท่านบระบริบูร์ศีลพรบริบูรณ์พระวนาพระบริบูรณ์ท ร, ราากัณฐ์ทจะเป็นพระละหันยังไงสันเว้ยมันบเป็นสันดอกเป็นว่าพี่สันคนใหย มีอยูท่านมั่นหังบอเสมอมูมาสั่นมันจะสั่นพ่อสอบไดมันจเหมือนหรอฮนั่นอกับอันหนึ่งฮะนี่ภาพจินอี้มทองทองแตกขอหน่อยว่าทองท่านภาพแตกดังปุ๊ทองภามรู้ดังตามว่าท่านอันพระบรมศสีสันไสเลี้ยงภาพมอนว่าท่นเลี้ยงภามที่ขอลูกพระพุทธเจ้าไปขอลูกพระเอกสัตน์อนไปน่ เพิ่นตอนเอาเพิ่นในไทยเอาลานไว้แล้วได้เยงภามันวะท่องแตะนี่ขน้อยพเสื้อนี่วะสั่ตัวว่านีาา่วายหลวปูมหาเะเกียร์เ ก, กียตัวกับพญ า, าลายปนัดังสูเงินสูมเงินปุยาตหลายแทแล้วเห็นนะปเอามาบาดได้แล้วชนะตัวเจยู่ น, กนักกันจกียกับ่อปนดเลยมันลึง่งเจกียตัวท่าออกมาเป็นหัวนาหัวบาดูุย๊ยญาตคักแท่เดียวเลยกียพ่อว่ารับได้ดดยดู่ะ พ่ออันซ้อได้เยอะยันนี่ซอว่ได้ยนี่บ้กก้าซ้อเดี่ยนี่ย่านสันทุตทุล่ะขาน่อยวัดเสียวะสันอันท้อแตกนี่ะันคนเท่ากับิอิ่มไร้ก็เมียจะหากเขาขี่ท่านแล้วขาน่อยวะเงีนแล้วคนทิศถีรายวสันในโลกมันก็มีวัศถุเนี่ยของผลของกรรมาันเพราว่าคนทิถีมานะายมันจะทันที่ทันหน่อนในโลกมันก็มีส่วนส่วเนี่ยเจ้ของุลกรรมมาัน คว่าท่นเขาถ่ายรูปคนนทายคนสองคนตดกันออกมาในท้องท่านกับวัศยาชื่อกันตี้ว่าน์แ่นู้ประกำของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี่มันเท็จเะคือกันมันเกิดม้ากับวัคือกันต้ากัานขันทันเัืยอว่าท้องผ้าแตกท่านกับวัศยาแผ่นดินสูบพระเทวทัตคือกันแหนว่าล่ะท่านกัจิว่ตรเอาเสียมฝังเอามอนกับของแผ่นดินสูบทักกัจจวัตรตวัศน์่นว่าไงไม่รู้เขาเพิ่เสียหรออกมาเนี่ย นั่นเอเขามาบอกให้เขาฟังเขาไปแ ง, นปนงน่น่านไปแห่น่านกรมก่อสร้างแห่น่านกรมสร้างใหม่แน่นกรมสร้างใหม่อยู่ข้าอยู่นําถมอนอยู่บรเดือนอยู่นกล่องอยูๆๆ่กล่องหเละ <c oughs> บักนึงมอง้อไฟังเซียวเซียวสั่กูจะพ่อมึงไปว่าคดปากซ่างมึงจะไ ป, ว, าปาว่าสั่งเน่าข้าวสิปากมาสั่งเฮ้ว่ามึมีแนวกูบดเชีย อ, อ์อกวา บาห้าพักเที่ยงกูจิพามึ่อไปเบิง่าสั่นแต่ว่ามึ่ไปเบิงมันมึงต้องีปัญาเละั่นมึ่ต้องซื้อือยาไปซ่อมนึงนะสั่นมันสูอยาแข่งเก่งเลยสให้มึ่ไปนะมึงสซบว่าห้มัดมัดก็ได้ดอกนะั่นหมันจะจสองสามกอกมึงก็เอาไว้มึงจะหามันเห็นยมัดซ่อมนะสั่นามึง้มึงซัตาหมัดซ่อมก็บ้าวสั่นมึงอจหมันสองสามมวนก็ได้ยูาสั่นโอ้ยขว่าสั่นกูหามันซ่องก็ได้ยู้สั่น อูก็บว่ามี่ดอกกูไ้มันจะไรยกันจะเอาไหสองอ่ะเจะโพดไปยวะท่านขันแว่น้ามึงตอออกยาหละมึงไ่มึงจะสิเดียวบางหนามันเน๊ยะท่านมึงผดยอะบางหนามันสิมันบ่อเบอร์้มันง่วงยู่งด้ะท่าลาดวะไหนนว่าะท่านาจสี่ปากมันวะท่านขาส่ว่าตัวเขาก็ะพาตัวไปัตัวไปก็ไปเห็นนี่เรีย จากกรมจากวันเหตุงานรถไฟสถานีต้องบัวไปฮะกรมทหารมันวันขทางสี่กิโลก็กลัวเนี่ยยางไปดดยเพี้ยเเ่าก็ไม่ะหมายสองพันสี่รอยแปดสิบสามล้อนั่นแหละต้องรับแปดส า, า, ามันอ่ะโตพระท่านจะ บ, บวชเนี่ยังอยู่บันแวนก็ยังอยู่บวันั่งยังอยู่บันเดือดอันนี้ค่ะไปกเอ้ ข้ามาฮะโตสั่นข้าวในยัางข้าวโตชอบยาซ้องข้าก็อยากไห้โตสูบวาสั่นโตระว่างสิโตคว้าอย่างสิรให้มองอตยาให้มึงนะสั่นมึงโตยาแล้วมั่กี้ดีหมมันมันมึงกับเบิงมันมึงเป็นบ่ายันมึงกับโตยาสันก็เอามึงกับข้าวสั่นกัสูบสูบจะปากมันกลับปรื้ดในเบืองัน คากระสยปากคากระสีเรพี่สูบยาด้วยพี่แต่สากล ข, ข, ขึ้นจะไปน่าขึ้นจะไปคาขึ้นจะไปตีสร้างเางว่านอารับดอกขึ้นจะเป็นทสั่ว่าฮ น, นมันก็ไม่ในท่านอยนเ่ยพรานามา ม, า ม, ามื่อเมื่อหอสัพ่พระาแต่โบราณแขวเมียได้สามสุดที่ซุดเอาไว้แล้วท่น อนุญื่นเชี่งเมียงจังเบื้องนาได้แล้่นเบื้องนาพระยานามานี่ัดูดได้แล้วเบ้องนาเรตัดคอเลยท่านเพราะาัิขาดเ่านเชี่งเมียงเบิ้งได้แล่นเชี่งเมียงเชีงเมียงคุ้เคยจังทีท่านตัวเคยได้ยินบ่เชี่งเมียงเชีงเมียงพยายามเพื่นี่ยจะกีปเสือสวยหมอกซือคอคนได้เสืออันเสืออันพวกเล่า ไปเสียสวยหอ่อุนจะจี๋ร่งเฮือร่องแพ่ไปวะท่นไปเสียแล้วเสียงเมี่ยงนี่ค่ะเอาก ก, กมากลงมาใส่แพ่กหมาปลูกกระคาดสิก็ตอกผาก็่องม้าก็เกผกกกานีกปกปาา่เอามาตั้งไว้ว้ยมันไก่เทเนี่ยพะน่าเออยาสัง่งปุูกผู้ ก, ก็เป็นหา้าปลูกหมากก็เป็นใบเสียช่างใด เนี่วกขน้อยมาเสียทังพี่ยู่ยบอสั่เอ้ยขันวอยังสั่นกมไกกระดกกรเดียังนกบลกแพ้ไปตะเกีว่าสั่ที่มันคอกกอ้อมพุ่นือข้าวาองไปเสียช่วยพุ่นล่ะเขาส่กับกับเสียอยู่คนซ่าอย่างเยเากั้ก็าสั่โอ้ยพะยเอ้ยว่าสั่ขน้อยเนี่ยกินบักแขงอะไรทั้งเครือกินบักเขือก็ไรทั้งขวนเด้ขน้อยว่าสั่งไม่ผู้เสืยขน้อย ขัว่ยังขันบ่เป็นนังสั่ น, นคนน้อยคิกินให้ถวายพญ่าเบิง่งว่งสั่นงับมือขึ้นที่ก็เลยเอาแคงมาจนินติกย้ายขึ้นแล้วว่าจินติกย้ายขึ้นก็เลยเบิ่งนาพญานามากนี่อ้าวโศกเรื่อว่าไม่ได้พ ญ, ญา <c oughs> นาเรื่องเมียพี่ขวัญน่เชื่องเมียพญ่าเจ๊งเลยเรื่อเมียเนาะฮนี้นกับไปกกเขาก้มท่าเ็้ึ เส้ยงซุยตัวเหมือนจัวน่ามาเสีงสุยตั้งแต่สมัยเขาอยู่ลาวท่านเปเขางานเนาะจะจอกเาเวลามาที่แรกไปกับลุงที่ค่ำจอบเขาเวลาอัาบอกว่าอ้ซุยอ้ซวยไซื้อมะม่มาให้สักสองสามบบ้างมาสมันก็ไปแล้ว มันมือไปกับพี่เจ้าหน้าเวรมังกับพี่มาโอ้เสียงมิยงเสียงมิยงเสียงมิยงมาจังนะมันมืครับพี่เหนเวมาจังจิ้งหยังจเอาเอาแม่าตินันหน่อยบ่ได้รู้กค่คนว่ บันหนก็น่อยค่ะโอ้โหอ่าเข้ากับได้เอาจะเขาเมื่อท้งฟักเส้นหนึงเขากินอย่างเขากับพ่อได้กินนะจ๊่มือหนึ่งใส่ทุ ก, กตาพืนหนึ่งพ้นไปรับเรียบพระมือนี่พู้หนึ่งมือนี่พูนหนึ่งมือนี่ผูห น, นหนึ่งอวบุึ่งอนหน้าบ้านนะใส่ทุ ก, กตานั่ เจียวไปถามเฮียเจียวไอ้พระสันโตเมื่อเลียงพระนับเพลนบอกพระสันค้นประกาศเลียงพระกันเอ่ันจะไม่ต้ักินนังกันชม้งกินสิรินบอกพระสันคันงกินเขามึงกับแงเปิแค่บาทนัดนึงเม่เปลนบอกพรสันคันงกินข้ามหนึ่งมึงกับแยงปไซนัดนึงเม่เป็นบอกพระสันเจียวไ้ะสันคนรึงกันนั่นแหละมึงย่งมะรูตัวมึงบอกเจียวสันมึงทุกทั้งปันนีกอันนี้สองสินทานของมึงเฮ้ยจะขาดอนตีให้พรนมันบดดีดะัน มึงย<บ>ังมาของมึอเค็งบอกว่าสันมึงคิด่เฮ็ดบุญน้เพินบ่เสียเอาวะสันแ่เฮ็ดี shorts, ่ันมันค่อนรืกันคัก่าโว้ยเขาสิายอนุ่งถือกูกแบอกว่าีขาดขาดกุญแไปเฮ็ดบุญน้ำเพลินได้บอกว่าสันมาเถอะว่าขาดก็บบริวารนะกับบริวาดีวะสันมึงดูเฮ็ดยังมึงสอมึงกินยังมึงไป่ยังก็เอาน้าหลไปเขากินรทานไปไปจัสลาน้ำเพินสันเพลินเอาพระพู้ลองละองแบบนี้วะส สลากย่ง า, างงูพระท่านไม่หูจับก็ะมี่ <c oughs> ไปจับล้ถือพระพุทธเจ้ า, าหน่อยพ <c oughs> <c oughs> ุทธเจ้าทพระพุทธเจ้าว่านี่เอพระพุทธเจ้าอะครกันป้าจะกดเฮ็ดยังไงน้อพระพท่นกัเมื่อ้าหาไปพาฟื่นเะอะไรพร่านพ า, า, าเืหนหนา่นกับ เ, รบเศรษฐีไปจา้างพาเื่อนเศรษฐีได้เงินเราหไปซื้อซื้ออาหารหกันไ ป, ไป พ, พเาเฟื่นนหยเศรษฐีพรท่น ตะกี้ขึ้นเว่าใส่ทางนะวะเจีตะกี้ขึ้นจะใส่เพื่อนนไมไปฟปาฟื่นบดมือเงื่อนมาในเงื่อ น, นมากนวผมซื้อปลาตะเพี่นท้องคือเขาเอามาได้แมแม่นามเจเอาเจแล้วว่าดีคือปลาตะเพิ่นท้องมากมาเฮ็ดแกงเฮ็ดแกงแค่ น, น้อยๆฮเล่ากันยาสองไพ่สองท่ คนทังหลายเยินข่าวอยทุกตาจับสลากถือพระพุทธเจ้าโอ้ยคือตัววิจ า, นาน์นนาพน่มันมาสมานาพระพุทธเจ้าห้าเลยบัดมูห้ามมันเินเจ้าว่าถือก็สมถือก็คนร่เป็นตาที่แต ก, กว่าท่นเื่อใ้แห้ามห้าว่าท่นโอ้ยคือยนาเงี้ยเนี่นยตแต่สองเทานี่มันหาว่า่นชีสาวงแงมาหน่อยสินจนกับ้วยแม่จามกระไส่ป้ายคนนั่งกรเฟื้นเฮ็ดังไงว่าท่นข้าเจ้าจมกันมืดเมื่อเมืหน้าน้นะ ผู้ได้ก็ไปิดเสื่อน้ำเล่าผู้ได้ก็จะเปิดเสื้อน้ำเราสื้อกองบุญไว้ะเตี้ยนมาสั้นโตอัศราก้าเข้าสิมาซื้อว่าสันวบ้านเข้ากลุ่กขวงเข้าสมธาลาพระพุทธเจ้าฮะบุหรี่ว่าสัตวซื้อจีเป็นฟ้าพิดินกันก็ไม่หายเด้เนี่ยว่าสันไปแชร์ห้าใเบ้านนี่กันกันงึดบุญวัดสนามกันทุกันทุกปันนี้พรสร้างไรถธิพระเจ้าเทวสัตวกันใครแฉ่บ้าห้แล้วว่าสั้นไม่ตัวว่างไม่ก็รอทังฆศีลกันว่าสั้นบ้ให้ว่าสั้นบ้า เฮ็อาหารแหละเฮ็อาหารเาาร ท, ทวุธเทวดาหมูจักก็มันถึงสทุกตาแต่เพิเอาของชิบวานเรามาของชิบมาใส่หมอกแข่งหน อ, อังหาแล้วหายตัวเรามาใส่แล้วมัหอกลุ่มชัวเมื่อไงล่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้ามากนะครับพระพุทธเจ้ามันก้มขืนหน่อหลพระพุทธเจ้ามากา ม, าก ม, นกามาันโย่ขืนสูงขืนดวดดวดซ้องขืน พระพุทธเจ้านางรงแล้วดวดมันจะคอยมันจะคอยลองมากบอกหายจูงหัวเป็นพระองค์เจ้าสันอาหารย่หันอามน้ำช้ํา้าเนพระพระุทธเจ้าก็เลยลงมากไงหายพอดเนี่ยนะร่อ ง, งมากไม่ร่าพระองค์เจ้าลองมากเฮ็ดกระโยกขึ้นบ่าเนยพระพระุทธเจ้าใ้กรมน่ะบุญบันดาลพระองค์เจ้าขลับกับเทวดามุ่งละซอยโยม้าอยมา้าเฮ็ดบสมพ่ออะไร อ, อะไรเฮ็ดบสมพ่อมี่้มมีม่เล่าก็ได้เป็นเศรษฐีในปัจจุบันนั่นซ้า อ๋าสิบเสี่อปันสิ้นปันธายังไงเออมาข้ามาตอว่าพระองค์เจ้าเขาพระองค์เจ้าเห็นว่าเขาจะฟางตัวอะไรผู้เฮ็ดน้ำสาธารณอื่นหรืว่าพระดียบุนเฮ็ดน้ำตวจังได้บุญไหมสันบ่เนือเฮาว่าพระดียบุญเฮากรไเด้ว่าดีพระสันได้ยูว่านังพระดียหลายเฮ่าสันรอกว่าสันมันชิวพรดียบุญยังเมีนเหนมเมนหอกวราสัน บอกว่าจะซ้ำนั่นแหะเทาน้ใช่ น, น้ำแกให้นา้าปลาจีค อ, อ น, นี้ป่าจิตายแต่เอาน้ำประเทศใส่แกยังได้บุญรู้ว่าสันแกปัญหาว่าได้ร้ายเขาวางสีอ่อโว่าันอันที่ว่าได้บุญเลยแั่ไม่มีเนเยอาได้เขางช้บอกให้ฟังแต่พักทีงคว่าชักเท้าบรอสุดที่สีว่าสันชักเท้าบางย่างบริสุดฝ่ายท่ายกบ่มีเงนฝ่ายปฏิฆาหกผุดลับชักเท้าบางย่างบริษูดฝ่ายปฏิฆาหก บนไฟท่ายกถ้าทหน้าบางยางบอดีุดทําสฝ่ายทั้งผู้รับทั้งผู้หายักทหน้าบางยางบอดีชุดบอบอดีชุดทั้งผู้ห้ทั้งผู้รับเน า, า, า, าะเทียบฟั ง, งหน้ากับบดีกล้ามาดากับต้าฝฟฟอยหน้ากัหน้าปลาหน้าน้ำาชงีงน้ำเปา่ปาปลาอย่างห้องงอกสั้นกับวอเขี่ยวขอไหลเลยสั่นี่หน้ากับดกกบดีกล้ากับบดีหน้าบอดีแต่ว่ากล้าทังดี มีกับพ่อดึงกันหน้าพอดีกาพอดีหน้ า, ด, า, ด, นาดีกับพ่อดึงกันสั่นอะไรก้าขดีหน้าขดีนี่แะจะใุ้คนร้ายคือพระผู้รับเป็นผู้ไม่ศีนไม่ทรรผู้เอมามาภัยเป็นของบริสุทธิ์นี่จะเป็นหน้ากด็ดีก้าขดี